ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อพระบรมศาสด า, สดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บ มหันตภัยคือความตายมหันตภัยคือความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเบียดเบียนเอาแล้วมนุษย์ก็หาต้นไม้เป็นสระาภูเขาเป็นสระาหาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หาพระอินทร์พระพรหมเป็นต้นเป็นสระาเป็นที่พึ่งพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สระอันสูงสุด เมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกเป็นต้นดาส่วนบุคคลใดขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระอริยสง์เป็นสรณะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติจนสามารถเกิดญาณปัญญาแทงตลอดทุกขสัจจะโดยการกําหนดรู้สมุทัยสัจจะโดยการละด้วยการทําลายให้หมดไป นิโรธาสัจจะดยการทำให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมให้บริบูรณ์เขาเหล่านั้นประชมอริยามรรคมีองค์แปดแทงตลอดอริยสัยจธรรมทั้ง4ประการประหารกิเลสเป็นสมุเดเฉทถะประหารเป็นต้นได้พระบระมาศ า, าสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสรณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสระอันสูงสุดเมื่อประชาตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วจึงสามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ ขอโอกาสพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ในการกล่าวพระธรรมขอความเจริญในธรรมยังมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายมาในงานชาปนากิจศพของคุณพ่อกี่ฮึงหรือคุณพ่อสมชายแซลิมซึ่งเป็นยมพ่อของท่านผ้าธิการสุรสัก์สุรเตโชเจ้าวาดวัดลถอย ท่านได้ถึงแก่การสิ้นชีวิตลงด้วยอายุ83ปีเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคารวาด์สิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่จะหนีกันไม่พ้นก็คือมรณะภัยพระบระมาศ า, าสดาทรงตรัสว่าทุกอริยสัจข้อแรกนะ่คือความทุกข์ อริยสัจข้อที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขสัมบู ท, ทยัยอริยสัจข้อที่สคือทุกขานิโรธนั่นคือจุดหมายอริยสัจข้อที่4คือทุกขนิโรธคามินีปฏิบัตาก็คือข้อปฏิบัติหรือทางดําเนินที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นต้นในอริยสัจคือความจริงแท้ที่เราท่านทั้งหลายพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้ง4ี่ สามารถประหารกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารได้ท่านผู้นั้นจะสามารถพ้นจากมหันตภัยมหันทุกข์เป็นต้นได้ตามพุทธภาสิตที่ได้ยกขึ้นมาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในครั้งนี้ทีนี้อริยศาสตร์คือความจริงแท้ที่เราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะทุกขสัจจะสมุทญยสัจจะเป็นต้นในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเราได้กันสัจจะสองสัจจานะหนึ่งคือทุกขสัจจะ เป็นความจริงเป็นความจริงแท้ของกระแสชีวิตที่ตอจะต้องประสบชาติทุกขชรลาทุกพยาทุกขมรณะทุกขต้องประสบความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจอยู่ตลอดเวลาอริยสัจจากข้อที่สองคือทุกขสมุทัยนั่นคือตัณหาคือความทยานอยากอันนี้เป็นด่านหน้าแต่อะไรอยู่เบื้องหลังตัณหาอาวิชชาหรือว่าโมหะคือความมืดบอด แต่ถ้าวไหว้ครบชุดของสมุทัยสัจจะแล้วนะ่ะคือหนึ่งตัณหาคือความทยานอยาก 2. อ, อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นประการที่สก็คือสังขารคือการปรุงแต่งทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปประการที่สก็คือกรรมะคือการกระทํามาจากเกจตจํานงเจตนาที่เป็นทั้งกุศลกรรมและกุศลกรรมที่นําให้เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่จบไม่สิน้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ กระแสของสมุทัยยสัจจะคืออวิชชาคือความมืดบอดที่เราเรียกกันว่าโมหะคือความหลงความงมงายทั้งหลายเป็นต้นที่มันเป็นกิเลสที่เบียดเบียนกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายทําให้เราทํากรรมที่ประกอบไปด้วยกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมเป็นต้นทีนี้ทุกข์ที่เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ที่เราท่านทั้งหลายไม่ได้เห็นถ้ามองตามด้านคําสอนพระบรมศาสดาทรงตรัสว่า สังขาระทุกหรือทุกประจำสังขารหรือความทุกอันดับแรกจริงๆเขาเรียกว่าชาติทุกทุกคือความเกิดทุกคือการเกิดเป็นชาติตุกเนี่ยเป็นทุกเป็นความตั้งอยู่เห็นความทุกต่างๆนะเป็นอเนกนานาประการท่านแบ่งซอยเป็นไปตามลำดับว่าภาษาพระท่านเรียกว่าคโปกะการติกะมูลกะทุกเขาแปลว่าอะไรรู้มโยมเขาแปลว่า ทกที่เกิดจากการเกิดอยู่ในคันอยู่ในที่อันแสนจะคับแคบแล้วก็อึดอัดมืดต <Yes. S 2> ื <Yes. S 2> ้อแออัดด allora, ้วยสิ่งที่น่ารังเกียจเหมือนหนอนที่อยู่ในของเน่าหรือเหมือนกับหมูหนอนทั้งหลายที่อยู่ในน้ำคร่ำเราท่านทั้งหลายที่เกิดอยู่ในคันของแม่อยู่ในมดลูกของแม่เนี่ยหรืออยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยเราอยู่ในท้องของแม่นั้นน่ะเราแสนจะอึดอัดมาก คับแคบมากมืดตื้อมากแอะอัดไปด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจในนั้นมีแต่ของที่ไม่สะอาดมีทั้งอุจจเลและปัสสาวะที่ศีรษะของเราเนี่ยเราเนาะนั่งอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยเราหันหลังนะเราหันหลังออกมาทางหน้าท้องของแม่แล้วที่ศีรษะของเรานั้นก็อยู่ตรงที่กระเพาะของคุณแม่วดีเวลาแม่กินของร้อนเข้าไปกินของเย็นเข้าไปเนี่ย กินของเผ็ดเข้าไปเนี่ยมันก็หล่นมาถุงถูกกระหม่อมของเราแล้วความเจ็บปวดทั้งหลายมันก็จะซึมซาบเข้าไปหาทารกที่กำลังนอนคุดคูอยู่นั่นแหละนั่งคุดคูอยู่นั่นแหละแล้วเรานั่งทับอะไรนั่งทับกระเพาะอุจจาระก็คือที่ถ่ายอุจจาระของแม่นั่นเองนั่นแหละคือการที่เราท่านทั้งหลายว่าชาติทุกทุกคือการเกิดการอยู่ในคันของคุณแม่นั้นแสนจะอึดอัดแล้วก็คับแคบ เหมือนกระหมูหนนที่อยู่ในน้ำคร่ำดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนี่แหละประการต่อมาทุกอีกประการต่อมาเขาเรียกว่าคับปะคับพระปริหารณนะมูรกทุกทุกที่เกิดจากการบริหารคันของแม่มารดาจะขยับขยื่อนเคลื่อนไหวลุกนั่งยืนเดินนอนทั้งหลายเหล่านี้ในการยืนในการเดินในการกินในการดื่มกินของเย็นของร้อนของเปรี้ยวของเผ็ดเป็นต้น ก็มีผลกระทบต่อเด็กในครันทั้งสิ้นเด็กในครันนั้นก็ต้องดิ้นทุรนทุนทนรายอันนั้นเป็นอะไรเป็นอาการของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาอันเนี้ยขอให้เราท่านทั้งหลายใช้ปัญญาใช้โยนิโสมนัสิการในการพิจารณาวิจัยแยกแยะไปเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความเจ็บปวดจริงๆเวลาแม่ยืนแม่เดินแม่นั่งแม่นอนล้อมลุกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกินของร้อนกินของเผ็ดเข้าไปเนี่ยเด็กที่อยู่ในครันก็เจ็บปวดทรมานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการทุก เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารคันของมารดาในขณะที่ท่านขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวลูกนั่งยืนนอนเป็นต้นเหล่านี้ก็มีผลกระทบกับเด็กประการต่อมาเขาเรียกว่าทัพพระวิปัสติมูลกระทุกภาษาพระเนี่ยเขาเาเรียกอย่างนี้แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทุกข์ที่เกิดจากการวิบัติแห่งครันเช่นบางคนก็ท้องนอกมดลูกบางทีก็ตายในครันเป็นต้นหรือบางทีต้องถูกผ่าตัดออกมาอย่างเงี้ยตามสถิติของแพทย์ เด็กที่เกิดในคันแล้วตายในคันเนี่ยมากกว่าที่จะคลอดออกมาแล้วมาตายข้างนอกนี่คือความจริงของทุกข์นี่คือความจริงของกระแสชีวิตฉะนั้นเด็กที่ไปถือปฏิสนธิในครันของคุณแม่แล้วก็ต้องตายปฏิสนธิคือเกิดแล้วก็จุติก็คือตายในครันยังไม่ทันคลอดออกมาเนี่ยบางคนก็1วันตาย2วันตาย1สั ป, ปดาห์ตาย2สั ป, ปดาห์ตาย1เดือนตาย2เดือนตาย78เดือนตายเป็นต้นเหล่านี้ มากมายเหลือเกินมากกว่าที่ออกมาข้างนอกแล้วมาตายอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงมหันตภัยความทุกข์ที่อยู่ในครันของคุณแม่เป็นต้นประการต่อมาเขาเราียกวิชายะวิชายนาโมระกะทุกขทุกที่เกิดจากการคลอดในขณะที่คุณแม่จะคลอดออกมาเนี่ย ท, ท, ท, ทั้งถูกกระทุ้งถูกกระแทกคลิกหันทั้งถูกกดถูกเบียดถูกบีบถูกอัดกว่าจะผ่านช่องอันคบแคบ ออกมาได้แสนจะเจ็บปวดแสนจะทรมานแสนจะแสนสาหัสท่านอุปมาเหมือนช้างเนี่ยช้างเวลามันจะวิ่งออกจากที่คับแคบเนี่ยมันจะถูรูทุกกลางออกมาเนี่ยหนังของเขาเนี่ยถลอกบอกเปิดออกแม้ชันใดผิวของเด็กนั้นเน่เป็นผิวที่บอบางมากเวลาคลอดออกมาจากช่องคลอดของคุณแม่เนี่ยจะเสียดสีกับช่องคลอดเด็กนั้นจะทรมานวิทีสลบนิ่ง เวลาคลอดออกมาแล้วหมอหรือหมอตำแยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะจับยกเท้าขึ้นมาก็เขยา่าเขยา่าแล้วจะต้องให้เด็กมันร้องอย่างนี้เป็นต้นนั่ น, นคือความทรมานนะประการต่อมาเขาเรียกว่าผะหีนิกกะคามนามมรากทุกทุกที่เกิดจากการออกมาจากข้างนอกเด็กแรกคลอดมีร่างกายแล้วผิวเนื้ละเอียดอ่อนมากเหมือนกับแผลใหม่ เวลาถูกสัมผัสถูกจับต้องถูกเช็ดถูกล้างแสนจะเจ็บแสบแสนจะทรมานฉะนั้นถ้าเด็กคลอดมาใหม่ๆเนี่ยยอมเคยดูเคยมีรูปยอมก็จะรู้ว่ามันทรมานนะเด็กเนี่ยเวลาถูกเนี่ยถูกน้ำก็เจ็บปวดแล้วไม่ต้องไปถูกผ้าไม่ต้องไปถูกมือของหมอหรือพยาบาลเป็นต้นหรือถูกมืออย่างคนทั่ ว, วไปมันหยาบผิวเด็กมันอ่อนมากฉะนั้นเหมือนกับเอามีดโกนเนี่ยไปแล่เนื้อ ความทรมานของเด็ก เ, เป็นอย่างนั้นประการต่อมาก็คือว่าอักคบ ป, ปักกามูลกระทุกทุกที่เกิดจากการทำตัวเองเช่นคนบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยฆ่าตัวตายบ้างประพฤติปฏิบัติไม่ดีบ้างทรมานตนเองบ้างโกรธเคืองแล้วไม่กินข้าวไม่กินอาหารทำร้ายตัวเองเป็นต้นหรือถูกความเครียดถูกความโกรธเสร็จก็ทุบตัวเองบ้างตีตัวเองบ้าง ตลอดถึงเอาเหล้าบางเอาบุญญี่บ้างไปใส่ร่างกายตัวเองทําให้ทุกทรมานทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้มันทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการทําตัวเองโดยแท้นี่นะอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์จากการฆ่าตัวตายหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่มาจากการเกิดประการต่อมาก็คือว่าป ร, รุป ป, ปักะมูรกะทุกทุกข์ที่เกิดจากการถูกคนอื่นทําเช่นถูกฆ่าบ้างถูกจองจําถูกทํำร้ายถูกประทุษรายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถูกด่าถูกว่าทั้งหลายเหล่านี้ ถูกทบถูกตีด้วยของแข็งด้วยไม้ค้อนบ้างถูกมีดบ้างถูกปืนบ้างหรือประสบอุบัติเหตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นความทุกข์ที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่อันนี้ก็มาจากอะไรท่านจัดเข้าไปในเรื่องของชาติทุกข์ทุกข์คือความเกิดทั้งนั้นประการต่อมาก็คือชราทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ความแก่ก็ทําให้อวัยวะทั้งหลายต้องย่อหย่อนอ่อนแออินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์คือใจนั้นก็คิดอะไรก็ไม่ค่อยออก โดยเฉพาตาก็เริ่มฟ้าฟ า, ฟาหงหูก็เริ่มหนวกหรือว่าไม่ค่อยได้เยน็นจมูกก็ดมกลิ่นไม่ค่อยรู้เรื่องลิ้นก็ไม่รู้จกักรสกายทั้งหลายก็สัมผัสเย็นร้อนเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นต้นอันนี้เพราะอะไรอวัยวะคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื LM, ใใใใ่ อ, ปปอในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นจนถึงมันสมองมันทําหน้าที่วิพิตผิดเพี้ยนการที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเขาทำหน้าที่วิพิตผิดเพี้ยนขเขาเรียกว่าฉลา พอชลาไปแล้วปุ๊บมันก็เป็นพยาธิมันเริ่มทําหน้าที่แล้วโดยเฉพาะมันเริ่มแก่งอมอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกเล่นกายใจยมันเริ่มคล่ำค่าสรีระโค้งงอผิวหนังก็เหี่ยวย่นเนี่ยสายตาก็ผ้ามัวหูก็เริ่มตึงหนังก็เริ่มหย่อนยานทั้งหลายเหลา่หลานี้เป็นต้นที่เราท่านทั้งหลายประสบกันอยู่นี่คือชลาภายัยทีนี้ไอชราภายัยทั้งหลายเหลา่หล า, ลานี้มันก็เป็นปัจจัยต่อพยาธิ คือความเจ็บปวดคือความเจ็บไข้หรือความวิปริตผิดเพี้ยนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวัวใจตับมันเริ่มทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนไอการทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนเนี่ยเขาเรียกว่าพยาธิภัยคือการเจ็บไข้คือการเจ็บปวดคือความทรมานทั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่ณขณะเนี้เราก็จะเห็นถ้าเรามองไปที่คุณพ่อเนี่ยที่บอกว่าคุณพ่อสมชายไซริมเนี่ยที่เป็นโยมพ่อของ ของพระหรือภ า, าธิาการโรรสักเนี่ยที่ท่านนอนอยู่ในโรงเนี่ยอันนี้ท่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วตอนนี้ท่านประสอบอะไรมรณะภัยภัยคือความตายยานจะสิ้นชีวิตถ้าคนเคยทำกรรมชั่วไว้ก็เห็นแต่นิมิตไม่ดีเรียกทุกขตินิมิตเช่นเคยไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการมไปพูดเท็จไปพูดส่อเสียดไปพูดคาหยาบไปพูดเพ้อเจอ้อ ไปดื่มของมืนเมาไปพฤติกายยทุจริตวิจิทุจริตมโนทุจริตไปประพฤติบาปประกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายทุกขตินิมิตนิมิตที่ไม่ดีทั้งหลายก็ไหลามาแล้วตอนนั้นน่ยบางคนเคยฆ่าสัตว์มาสัตว์ที่ถูกฆ่าก็ไหลามาเป็นนิมิตให้เราเห็นเป็นนิมิตให้เรายึดในขณะนั้นจิตเราอ่อนแอมากและเราจะยึดอะไรเหมือนคนจะจมน้ําตายคนที่กําลังจะจมน้ำเนี่ยจะตกน้ำเนี่ยถ้าเป็น ซากสุนัขเน่าๆลอยมาก็ต้องเกาะ อ, อุจร ะ, ะหรือว่าปั ส, สวะที่มันเต็มไปด้วยบยมบนขอนผุๆลอยมามันก็เกาะสิ่งที่ดีๆลอยมาก็เกาะใช่ไหมคนที่จะตายก็เหมือนกันถ้าทําที่ไม่ดีเข้าไว้ทําบา ป, ปรกรรมเข้าไว้ทํากายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระรยาเจ้าเป็นต้นเหล่านี้บา ป, ปรกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายมันก็ลอยมาเป็นนิมิตเขาเรียกเป็นทุกตินิมิต เรารับนิมิตเหล่านั้นไปปุ๊บเราก็ไปลงอบายทุกขติวิธิบนะัตินโลกอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเคยทํากรรมดีเข้าไว้อย่างยอมพ่อสมชายแซลิม้ยมยอมก็มาเล่าให้ฟังพระถ้าเล่าให้ฟังว่าท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนที่ท่านกําลังจะเสียชีวิตพระลูกชายก็เอาบทสวดมนต์เอาบทสวดมนต์ไปไว้ที่ใกล้ๆหูแล้วก็เปิดให้พ่อฟัง เปิดให้โยมพ่อฟังถ้าเสียงพระเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสุขตินิมิตเป็นเสียงที่ดีเขาเรียกว่าเป็นสวานุตติยะเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมจ่ไว้ถ้าการเห็นทางทวารตาเขาเรียกเป็นอนุตติยาเป็นทัศนานุตติยะถ้าการฟังก็เรียกสวานุตติยะเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าเห็นผ้ากาสพัสเห็นพระพุทธรูป เห็นพระเจดีเห็นบทวิหารทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นในนิมิตที่ดีถ้าเราเห็นนิมิตเหล่านี้แล้วเราก็นึกถึงอะไรนึกถึงทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่เราได้ทําถ้าในกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสุขตินิมิตถ้าได้นิมิตเหล่านี้ติดไปแล้วก็จะได้สุขติโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้างี้เป็นต้นถ้าได้เป็นทางทวารหูเขาเรียกเป็นเสียงสาวนานุตริยะก็คือเสียงที่ดีเช่นเสียงเสียงพระสวดมนต์ ใช่ไหมอย่างพระสวดมนต์ที่บอกเอวามีสุตังเยกังสมายังปะกวาภาราในเสยียงเวราติสุปฏิเนปิโตนเห่านี้หรือเสียงสวดมนต์เสียงให้พรจากพระหรือว่าเสียงสาธยายธรรมะหรือเสียงพระเทศหรือเสียงสนทนาธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเสียงอย่างนี้อ่ะถ้าใครได้ฟังก่อนตายใช่ไหมก็เรียกเป็นสวนาดนุตริยะเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเห็น ไ, ไหมคนบางคนชอบไปฟังเพลงเอ่ยไปฟังเสียงคนทะเลาะกันบ้าง เป็นเสียงสัตว์ร้องบ้างเป็นเสียงเพลงบ้างเสียงคนทะเลาะกันเสียงคนด่ากันเนี่ยเสียงต่างๆเหล่านี้ถ้าฟังไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เป็นสวัณนาตนุตติยะฟังเสียงเหล่านี้แล้วไม่พ้นจากชาติภยัยชราภายัยพยาธิภัยมราณะภายัยไม่สามารถพ้นเป็นปจัจจัยพ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นต้นได้แต่ถ้าใครฟังเสียงจดมน์เป็นต้นเสียงพระสาธยายพระธรรมเป็นต้น อาอย่างในสมัยก่อนในสมัยคำพุตการเนี่ยขณะสุกรเนี่ยนะอันมาเคยเทศอยู่เรื่องหนึ่งนางลูกสุกรเนี่ยในตันหาวัคในธรรมบทเนี่ยตอนที่พระบระมาศ า, า, สาสดาเสด็จไปที่ถนนหลวงแล้วก็เห็นนางลูกสุกรเนี่ยวิ่งมาพอวิ่งมาแล้วมาหยุดอยู่ต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบระมาศา ส, าสดาก็แย้มพระโอษณ์ในขณะที่พระบระมาศาสดาทรงแย้มพระโอษณ์นั้นน่ะทัศโนภาส คือฉับพันนลังสีที่ฉายออกมาจากพระเขียวแก้วของพระบรมศาสดานะ่ยพุ่งขึ้นอยู่ก็ข้างบนแล้วก็เวียนเป็นทักษิณาวัตบนพระเศียรของพระบรมศาสดาพระอานอน์นั้นเดินตามเป็นปัจฉาสมณะเห็นทัศนโอภาพสว่างรุ่งเรืองอย่างนั้นก็กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พระบรมศาสดาทรงแย้มพระโอษฐ์พระบรมศาสดาก็ตรัส ว, ว่าดูก่อนอานอน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอเห็นไหมนางลูกส <_ iyim> <é> <fünf> ุกรเนี่ยยืนมองหน้านองพระพักตร์พระตาคตอยู่ในขณะนี้พระพิสุเหล่านั้นก็บอกเห็นพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาก็บอกว่านางลูกสุกรเนี่ยในอดีตเคยเกิดเป็นแม่ไก่เคยเกิดเป็นแม่ไก่ในสมัยพระกกุตสันทสัมมาสัมพุทธเจ้าลงนับย้อนขึ้นไปดิโยมเนี่ยกากุสันทัศพุทธเจ้าโกนาคามนาพุทธเจ้ากัสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระสมณานคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้องค์ที่4 ย้อนกลับไป4พระองค์3พระองค์อ่ะสอง ค, พองค์พระองค์ปัจจุบันเนี่ยพระบรมศาสาดาว่าเนี่ยนางลูกศรเนี่ยในสมัยพร ะ, พระ ก, กษัริย์สันทั ส, สัมมบาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเธอนี่นะนางลูกศรตัวเนี้ยนางลูกหมูตัวเนี้ยเคยเกิดเป็นแม่ไก่จับอยู่ย้นกิ่งไม้แล้วฟังพระภิกษุสาธยายสติปัฏฐานสูตรเวลาสาธยายสติปัฏฐานสูตรเขาสาธยายยังไง เอกายโนยังพ so pues mm ิกเวมาโคสตานางวิสต ah? <ś art proverb ique> ิยาโกับริเดวนางสมติกมาญาณญาสธิขมาญานิพพานัสสัสจิกิริยาญาณญที่ทางจัตตารสติป <in> ัฏฐานาเป็นต้นใช่ไหมพอฟังภาษาทายป๊ป๊อปป๊อปปเนี้ยนางไก่ตัวเนี้ยฟังแล้วเกิดปีติเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดความสงบจิตใจก็ร่าเริงขึ้นมาในขณะนั้นในขณะที่ฟังในบัดดลนั้นอ่ะมีไม่เหี่ยวตัวหนึ่งอ่ะ มันบินมาด้วยความเร็วมันเห็นไก่มันอยากกินมันก็เฉียวเฉียวตัดคอไม่ไก่ขาดฟุบทันทีเลยอะ่ะตายไหมเรียบร้อยตายทันทีตายแล้วไปไหนไก่ได้อะไรเป็นนิมิตได้สวนานุตริยะได้ฟังเสียงอันยอดเยี่ยมจากพระสาทยายประธรรมจติคือตายจุติไม่ใช่แปลว่าเกิดนะจติแปลว่าตายแล้วปฏิสนธิไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นธิดาของ ของของอามาตเกิดเป็นนิดาของเจ้าเมืองที่ไหนที่วรานาสีนี่เห็นไหมเนี่ยจากไก่เกิดเป็นมนุษย์ได้พอหลังจากที่โตขึ้นมานางมีอัธยาสายไม่มีอัตยาสายวันหนึ่งนางเดินไปตอนนั้นทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาไม่มีพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นนะเธอไม่ได้อยู่ในเขตของพุทธศาสนาด้วยแต่อัตยาสายที่เคยฟังเนี่ย ฟังธรรมะจากจพระสาธยายเนี่ยทั้งๆที่ฟังในสมัยที่เป็นลูกแม่ไก่ด้วยนะเธอเดินก็ไปในในซ่วมสมัยก่อนมันจะเป็นฐานใช่ไหมฐานซ่วมเนี่ยถ้าซ่วมโบราณในยมโบราณจะรู้เขาจะมีไม้พาไม้พาดก็ไว้ไปข้างล่างจะมองเห็นอุจจาระเต็มไปหมดแล้วเธอไปเห็นหมูหนอนในสติปัฏฐานสี่มันจะมีบทมันจะมีหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าปุรามากะปุระ ป, ป, ปุรกะกรรมการนั่นก็คือว่าเรื่องพิจารณาอาสุภกรรมฐานเนี่ย เธอเห็นหมู่หนอนชรชายอุจจาระปุ๊บเธอได้นิมิตทันเดียเป็นอสุภะนิมิตยังปฐมชาญจิตให้เกิดขึ้นนะทำชาญให้เกิดขึ้นได้ยอมลองคิดดูดีได้ชาญสมาบัติเลยเนี่ยอัธยาศัยตอนนั้นเป็นไก่ไม่สามารถทําได้เพราะเป็นทุกขเตเหตุกขปฏิสนธิไม่ไม่มีปัญญาในขณะเกิดแต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์เกิดพร้อมกับปัญญาก็ เ, าเรียกสัชชากปัญญาเกิดมาปุ๊บเนี่ยมีปัญญานํามาเลย พอได้เหตุปัจจัยปุ๊บไปเห็นอสุภะกรรมฐานในขณะนั้นปุ๊บยังปฐมฌานให้ตั้งขึ้นได้ปฐมฌานเธอก็รักษาปฐมฌานให้ตั้งอยู่ในขณะนั้นอ่ะแล้วในที่สุดจริงจพอเธอเสียชีวิตฌานสมาบัติไม่เสื่อมเธอไปไหนต่อไปเกิดเป็นพรหมนี่เห็นหมหนึ่เป็นไก่2เกิดเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์จากมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมตายจากมนุษย์เนะเกิดเป็นพรหมเธอก็อยู่ในพรหมโลกนานเลยพุทธเจ้าผ่านไปหลายองค์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง พรต่อจากมนุษย์ด้วยการที่เธอไม่ได้เจริญกุศลตอนใกล้จะตายมีนิมิตของหมูเนี่ยมีนิมิตของลูกสุกรเนี่ยเป็นนิมิตก่อนตายไปคิดถึงไอ้ลูกสุกรเนี่ยนึกถึงหมูเนี่ยพอตายปุ๊บก็ไปปฏิสนธิหยุติปุ๊บก็ไปปฏิสนธิในท้องของหมูแล้วเกิดมาก็มาเป็นหมูแล้วไปเห็นพระศ า, าสดาเห็นไหมพระศ า, าสดาสเสด็จมาเห็นเนี่ยเธอนางหมูนางลูกสุกรทีนี้มองพระพักของพระบรมศาสดาพระศ า, าสดาก็แย้มพระโอษฐ์ เหตุผลที่แย้มเพราะอดเพราะอะไรอ๋อก็เลยบอกให้พระฟังว่าเนี่ยแต่ก่อนเป็นแม่ไก่จากแม่ไก่เป็นลูกสาวของของเจ้าเมืองจากลูกสาวของเจ้าเมืองก็เป็นตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมจากพรหมก็เกิดเป็นมนุษย์อีกจากมนุษย์มาเกิดเป็นลูกสุกรพอพระบรมศาสตราชี้เถนโทษของสังสารวัตรนี้พระบรมศาสตราก็สาธยายต่อเลยผร้เจ้าสาธยายอะไรสาธยายพุทธภาษิตบอกสอนพระแต่นังหมูได้ได้อานิสงค์ด้วย บอกว่ายธาปิโมเรอนุปตะเวดันเอชินโนปิรุโคปุนาเรวรุหะตีเอวัมปีตันหานุสเยอนุฮาเตีนิพาตติโดกามีรังบุณาปุนางเป็นต้นเนี่ยฮะมันยาวบทนี้แต่สาธยายให้โยมฟังนีแค่นี้พระบรมศาสดาก็ตรัสแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นนะ่ยฟังพอฟังบทนี้จบปุ๊บพระได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบ้างสาก่ทาคาบ้างอนาคาบ้าง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนางโลกหมูไปไหนต่อ <c oughs> นางโลกหมูหลังจากจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไล่ไปตามลาดับอันมาจะไม่ตามไปนะจากมนุษย์ในท่าสุ ป, ปาการากะแล้วก็เกิดในสุแล้วต่อมาก็มาเกิดในสุวรรณภูมิเมื่อเกิดในประเทศไทยด้วย ถ, ถ้าสุวรรณภูมิเป็นประเทศไทยนะแต่ก็เถียงกันสุวรรณภูมิเนี่ย พม่าเขาบอกว่าเมืองสะเทิมใช่ไหมอินโดนีเซียก็บอกบูโดพุทโธเมืองของเขาที่อินโดนีเซียเขาบอกว่าสุวรรณภูมิไทยเราก็บอกนครปฐมตอนนี้ยังเถียงกันไม่จบพออยู่ต่อมาสมัยรัชกาลที่9ก็เลยสร้างสนามบินเลยตั้งชื่อว่าไงสุวรรณภูมินั้นพวกเราให้ให้ชาวเอเชียตัดสินไม่ได้ก็ต้องถามฝรั่งถ้าถามฝรั่งปัจจุบันว่าสุวรรณภูมิอยู่ไหนเขาจะบอกว่าไทยแลนด์ใช่ไหม เอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ว่าไปแต่ว่านางลูกสุกรเนี่ยค่อยมาเกิดเป็นมาเกิดในสวนอภูมิหนึ่งครั้งจากสวนอภูมิกลับไปเกิดที่พาราณสีจากพาราณสีไปเกิด ท, ดที่ไปเกิดที่รังกาที่อนุราชปุระและที่ไปเกิดที่รังกาในอัจภาพที่13านี่เนี่ยมาเล่าแบบย่อๆเลยนะแล้วต่อมาไปเกิดเป็นลูกสาวของนายบ้านที่อนุราชปุระ มีอยู่วันหนึ่งสมัยพระเจ้าทุตตคามินีอภัยตอนนั้นน่ยมหามาตดของพระเจ้าทุตตคามินีอภัยเนี่ยมีธุลาที่ไปในบ้านนี้ก็ไปเห็นนางเ่าก็เกิดรักขึ้นมาเพราะนางมีหน้าตาที่สวยงามมากเกิดลงรักขึ้นมาก็เลยไปขอแต่งงานด้วยพอแต่งงานเสร็จปุ๊บก็เลยย้ายจากที่อนุราชปุระเนี่ยมาอีกเมืองหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนี่หลังพุทธกาลแล้วนะ พระเจ้าประดิพฐานไปประมาณสามรอยกว่าปีสามร้อกว่าปีพุทธศาสนาเข้าไปที่ศีรษะใช่ไหมเข้าไปที่ศีลังกาแล้วสมัยพระมหินท่าเทระนาพุทธศาสนาเข้าไปเนี่ยทีนี้นางไปเกิดในแดนแห่งหลังกาใช่ไหมไปเกิดเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมนุษย์แล้วตอนเนี้แล้วก็ไปแต่งงานกันนี่แหละมหมาหมาหมาหมาที่มหมามหมาของพระเจ้าทุศคารมีนาภัยมีอยู่วันหนึ่งพระเถระ ชื่อว่าพระอตุระมหาเถระพร้อมด้วยสัตธิวิหาเล็กห้าหรูปไปบินตบาทที่บ้านนี้เห็นนางเดินออกมากําลังจะใส่บาทพระเถระท่านได้ฌานสมาบัติเมียพินยาด้วยนะท่านก็เข้าที่ปจักษโควพิญญ า, ท, าท่านเห็นท่านเห็นอดีตชาติว่านางเนี้ยเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้วเคยเกิดเป็นลูกหมูฟังธรรมอยู่พระบรมศ า, ศาสดาพระเถระก็เลยอุทานออกมาบอกว่าโอ้หน้าสจัญหนอ นางลูกสุกรมาเกิดเป็นภรรยาของมหามาดน่าอัศจรรย์แท้พอพระเทรัตกระตุ้นเตือนสติอย่างเงี้ยปุ๊บแต่ว่าอะไรสัญญาคือความจําที่อยู่ในใจของนางสมัยเป็นลูกสุกรฟังธรรมจากพระบรมศาสดามันกระตื้มขึ้นมาทันทีเป็นเหตุให้นางได้ยานที่เป็นเหตุแห่งการระลึกชาติได้นางระลึกปุ๊บระลึกได้เลย13อัธภาพนางซุดลงกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ คือไม่สามารถจะทรงกายอยู่ได้นางก็คานไปที่เท้าของสามีแล้วก็กราบกราบท้าของสามีบอกว่าดิฉันไม่สามารถจะจะอยู่ในเพศของของคารวะได้แล้วเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกินเรียกพ่อแม่ไม่สามารถจะอยู่ในเพศนี้ได้แล้วแม่ไม่อยากแม่ไม่สามารถจะอยู่ในเพศคารวะได้แล้วขอขอสามีออกบวชสามีก็อนุญาต แล้วเธอก็เลยไปบวชในสำนักของภิกษุณีในยุคนั้นสมัยนั้นมีภิกษุณีเมื่อไปบวชในสำนักของภิกษุณีแล้วเธอก็ฟังธรรมจากพระเถระนี่แหละในเรื่องของสติปัฏฐานสี่เอกายโนยังบิกเวมาคโศตานังวิสุติยาโสกบดีเดวนังสมติกมายะฟังปุ๊บไปเนี่ยนางก็ได้เป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็น ต, น, ตนละได้เด็ดขาด สวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยในพระตัตนะตรยัยในภพชาติละได้เด็ดขาดประการที่สศีรพตประมาศการรักษาศีลแบบงมงายแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบโมหะละได้เด็ดขาดต่อไปก็เป็นการรักษาศีลด้วยปัญญาเป็นต้นนี่ละได้เด็ดขาดแล้วยังสามารถได้ของแถมคือปิดอบายทุกติวิบัตินรกคนถ้าเป็นพระโสดาบั น, นแปลว่าจะไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกแล้วจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นต้นแล้วเห็นไหม สี่ภูมินี้ไม่ไปแล้วเนี่ยนางนางโชคดีได้ออยังโชคดีแล้วแล้วต่อมาในวันในวันเธอก็ประพฤติปฏิบัติตาเป็นไปตามลำดับพอถึงอายุแก่มากขึ้นเธอได้ฟังธรรมครั้งที่สองเธอได้ฟังอาศีวีปมาสูตรฟังเรื่องอุปมาขันห้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรูปประขันเนี่ยธาตุดินเหมือนงูตัวที่หนึ่ง ธาตุน้ำเหมือนงูตัวที่สองธาตุไฟเหมือนงูตัวที่สามธาตุดินลมเหมือนงูตัวที่สี่ในร่างกายของเรามันมีงูสี่ตัวพันอยู่ลองสังเกตดูธาตุดินธรรมชาติที่แข็งและอ่อนธาตุไฟก็เย็นและร้อนธาตุน้ำก็ไหลและเกาะกุมธาตุลมก็คือพยุงและผลักดัน เราก็เนี่ยโดนธาตุสีเนี่ยยอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตน่ยมันจะมีดินน้ำฝอยลมที่มันแปลรปลวนอยู่ตลอดเวลาแปลว่างู4ี่ตัวมันกําลังเล่นงานเราอยู่เหมือนโยมพ่อสมชายแเลิมโดนงูกัดตายแล้วเนี่ยก็คือโดนธาตุดินด้านทามธาตุไปเนี่ยธาตุลมมันกัดเรียบร้อยก็คือถึงการกัมรณะไถ่เล่นงานเนี่ยต้องสิ้นชีวิตแล้วพวกเราตอนเนี้ยงู4ี่ตัวมันกําลังพันกายเราอยู่มันกําลังเล่นงานเราอยู่เดี๋ยวเรายืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวมัน ที่ส่วนยิงมันก็ฉกเราตายเราก็จะเป็นเหมือนกับยอมพ่อสมชายนี่แหละแซลิมนี่แหละนี่ ค, คือความจริงของชีวิตนางฟังในเรื่องนี้จบปุ๊บนางก็ได้บรรลุเป็นพระละหันพอได้บปรลุเป็นพระลรหรันอยู่ต่อมาเลยนะเล่าแบบไวๆปุ๊บถึงวันที่เธอจะนิพพานเธอก็นิมนต์พระประชุมกันทั้งสังฆมณฑลนิมนต์ภิกษุณีมาประชุมด้วยแล้วก็เชิญอุบาสกอุบาสิกาในลังกาทวีมาประชุมแล้วเธอก็ประกาศ วาจาอาถารเธอก็เล่าเล่าโดยตัวเธอเองนะเล่าว่าเธอเกิดเป็นแม่ไก่เล่าเรื่องสังสารวัตรให้ฟังว่าแต่ก่อนเป็นแม่ไก่แล้วฟังธรรมจากพระยังไงจากเป็นแม่ไก่แล้วมาเป็นธิ่ดาของเจ้าเมืองยังไงจากเจ้าเมืองไปเกิดเป็นพรมต่อมากระสาบสนด้วยอานาจของกติโอ้ยเวียนว่าตาเกิดในสังสารวัตรอีกมานา น, นานและเกินแล้วก็มาเกิดเป็นลูกหมูแล้วก็ต่อมาอีก13อัตภาพแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตอนเนี้เธอได้ฟังธรรม แล้วเธอได้บรรลุแล้วแล้วเธอกระบอกท่านทั้งหลายบัดนี้เราได้อัตภาพอันประเสริฐแล้วท่านมัวทําอะไรกันอยู่สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดามันถูกความทุกเบียดเบียนบีบคั้นกดดันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาและมันไม่ใช่อัตตาตัวตนนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเราจะบังคับบัญชาคอนโทรลอย่างไงมันก็ไม่สามารถเป็นไปตามใจเราได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทตอนนี้ท่านได้เป็นมนุษย์แล้ว 2. ได้พบพุทธศาสนาแล้ว3ได้มีโอกาสฟังธรรมด้วย 4. ได้เกิดในสมัยได้มีอย่างเดียวว่าทํายังไงท่านจะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้แทงตลอดอริยสัจสและบรรลุปเป็นภาริยะทําลายภพชาติจะได้หมดการเวียนว่ายตายเกิดซะอย่างนี้เป็นต้นพอเธอพูดอย่างนี้เบีดเสร็จทบเธอก็เข้าสมาบัตดแล้วก็ปรินิพานต่อหน้า ต, ต่อตาภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเป็นเรือนพันเนี่ย เธอก็บอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจึอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นตน้นนี่เป็นการชี้บอกอะไรเนี่ยบอกให้เห็นว่าพวกเราทั้งหลายถ้าเราฟังเรื่องนี้ก็มาเห็นมันนึกถึงโยมพ่อสมชายแซ้เลี้ยแล้วก็นึกถึงพวกเราแล้วก็จงใช้โยนิโสมนรสการคือตัวความฉลาดคิดและคิดให้ดีว่าตอนนี้เรากําลังอยู่เรากําลังเจอหมหันตภัยคือความเกิด มรนะภัยคือความแก่มรนะภัยคือความเจ็บไข้มรนะภัยคือความตายที่มันจะรอตัดรอนเราอยู่มันตะภัยคือความโศวความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจที่สุดจริงๆเราก็จะต้องเข้าถึงมรณะภัยเหล่านี้แล้วที่สุดจริงๆเราก็ต้องเป็นไปตามกระแสะของกรรมที่เราทําไว้กรรมดําให้บากดําก็เข้าอบายทุขติวิบาตในโลกกรรมขาวให้วิบากขาวคือสุขติโลกสวรรค์เป็นมนุษย์บ้างเทวดาเป็นต้นบ้าง กรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวคระเ ข, า, ขากันไปเดี๋ยวก็ลงต่ำเดี๋ยวก็ขึ้นสูงน้ําครามน้ำใสก็ว่ากันไปกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเราจะต้องเจริญอะไรเนี่ยเจริญมรรคกรรมก็คือเจริญทุกข์นิโรธคามินีปิฎทาก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์แเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมม า, าสังกัปปะสัมมาวาจาหรือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม เราจะต้องสรุปประเด็นกระแสชีวิตให้ศีลสมาธิปัญญานําพากระแสชีวิตของเราไปถึงอริยมรรคอริยผลบรรลุอนุปาทาปณิพัน์ไ ด, ได้ถ้าเรายัางนิพพานไม่ได้เราก็ต้องเจ็บปวดในสังสารวัฏเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาเกิด บ, บ่อยๆมาแกบาบา่บ่อยๆมาเจ็บ บ, บ่อยๆมาตาย บ, ายบาย่อยๆที่บอกมรณะภายัยอ่ะตอนนี้มรณะภัยไม่เล่นงานเหมือนยอมพ่อเดอเจอมรณะภัยแล้วแต่พวกเราเนี่ยเรากําลังเจอ เนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยเราเป็นสัตว์ที่ตายได้นะแล้วตายทุกคนใช่ไหมเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือไม่มีเหลือสักคนเนี่ยแต่ว่าก่อนตายเนี่ยมันมีโอกาสพวกเรานี่มีโอกาสว่าเราจะขวนขวายยังไงจะเดินทานบา ร, รมียังไงศีลบา ร, รมียังไงเนคขม่าว่ากันไป <c oughs> แต่ละคนก็ขวนขวายกันให้เต็มที่เต็มความสามารถทีนี้ไอ้ความทุกข์เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่แค่ความตายอย่างเดียวนะ อไปนะมันยังมีความโศกก <c oughs> ็ความโศกด้วย <c oughs> มัน <c oughs> พอดชีช่วงนี้ใช้เสียงเยอะคอไปนิดหนึ่ง <c oughs> มันไม่ใช่มีแต่ความตายอย่างเดียว <c oughs> มันมีความโศกด้วยได้แก่ความแห้งใจ <c oughs> สูญเสียญาต เนี่ยตอนนี้โศกท่านที่การโซลศัพท์เนี่ยขลุกยาติพยาชนะโศกและความโศกมารุมแล้วหรือญาติมิตรทั้งหลายที่เราต้องเสียคุณพ่อเสียตาไปเสียหน้าไปก็ว่าไปเนี่ยนี่ความโศกความโศกความแห้งใจเพ่อเราสูญเสียญาติของเราอันเป็นที่รักเมื่มอกี้อาจมาตาบอกก็บอกกับท่านท่านพาธิการโซรศัพท์บอกว่า <c oughs> เรามีพ่ออยู่คนเดียวนะ ตอนนี้พ่อตายแล้วแล้วก็ให้บอกญาติดๆด้วยว่าตอนนี้เรามีพ่ออยู่คนเดียวเราไม่สามารถไปอุปโลกคนอื่นทีมาเป็นพ่อเราได้อีกแล้วในชาตินี้แต่ตอนนี้พ่อเราตายแล้วเราอยากจะทำอะไรให้พ่อทำเสียตอนพ่อมีชีวิตอยู่อยากขอขอมาขอขอมาอยากให้ท่านกินได้ทแต่ตอนเนี้ย <c oughs> เหลืออย่างเดียวท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบใช่ไหมหน้าที่ของพ่อของลูกหลาน สองทำกิจของท่านสามดำรงวงตระกูลรักษาวงตระกูลอย่าให้เสียสี่ก็คือว่า <c oughs> ก็คือเมื่อท่านนรักษาทรัพย์ของท่านเมื่อท่านรักษามรดกของรักษาก็คือว่าให้ดีดูแลให้ดีประการต่อมาคือว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศเหลือข้อเดียวแค่เนี้ยตอนเนี้ยที่เราจะเด่นชัดที่สุดก็คือว่า เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้เมื่อกี้ถามว่าจะเอาศพของคุณพ่อไว้กี่วันเจดวันนั่นในภายเจวันเนี่ยเราทํากันให้เต็มที่แล้วต่อจากนั้นเราก็ทําบ่อยๆจวดมนบางอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอุทิศให้ท่านตลอดท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบข้อนี้ทําไม่ได้ทํากิจของท่านยังทําได้อยู่ดําลงวงตระกูลยังทําได้รักษาทรัพย์ท่านไม่ให้สูญเสียหรือบริหารจัดการอะไรก็ยังได้และข้อสุดท้ายทําบุญอุทิศให้ยังได้อยู่ เรายังไม่หมดภารกิจจากความเป็นลูกเป็นหลานที่จะต้องทําไม่ใช่ว่าพ่อเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ทําให้เต็มที่ตอนนี้เราถูกความโศกบางคนก็ปริเทวะก็คือข่ําครวนล่ําไหลลําพันธ์บ่นเพอ้อสูญเสียพ่อสูญเสียญาติเห็นไหมเราถูกทุกข์คือความโศกถูกทุกข์คือปริเทวะถูกทุกข์กายคือความเจ็บปวดถูกบีบคั้นและถูกโรคภัยก็เบียดเบียน กายเราเนี่ยถูกโรคเบียดเบียนหลายหายคนตอนนี้มีโรคเบียดเบียนบางคนก็โรคไตโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานมีสารพัดโรคไม่มีใครเลยที่ไม่ป่วยนักกุนปิดตาขณะ บ, บดีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าป่วยกางงกางแย่งไปถือไม่ท้าก็ย่องกางแย่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช่วงเนี้สุขภาพข้าพเจ้าไม่ดีเลยไม่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งทุกข์ใจใหญ่ล่วงหน้าเถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกดูก่อนขณะ บ, บดี คนบางคนสําคัญว่าเวลานี้ป่วยเวลานี้ไม่ป่วยสําคัญแบบนี้นะจะมีอะไรนอกจากความเขา่านอกจากความไม่รู้กายนี้ป่วยเป็นนิดป่วยเป็นนิดแปลว่าอะไรหนึ่งทายอุจจาระและปัสสาวะนั่นะคือความป่วยนะเย็นร้อนก็คือความเจ็บป่วยหิวกับกระหายก็คือความป่วยโรคพื้นฐานของมนุษย์ก็คือหกโรคส่วนมาปวดหัวตัวร้อน จ็ป่วยนั้นตามมาอีกเยอะเลยนะโรคไตโรคตับโรคปอดโรคตาโรคหูโรคจมูกอันนั้นตามมาอีกเยอะแต่สรุปก็คือว่าไม่มีเวลาไหนเลยที่มนุษย์ไม่ป่วยกายเราป่วยตลอดเวลาแต่เราจะไม่ให้ใจป่วยได้ยังไงพระเจ้าก็บอกว่ากายป่วยใจอย่าป่วยกายกระสับกระสายใจอย่ากระสับกระสายเวลาไหนใจกระสับกระสายเวลาความโลภมันครอบงำความโกรธครอบงำความหลงครอบงำไปต้นเหล่านี้ประการต่อมาคือโทมานัท ความทุกข์ใจได้แก่ความปวดร้าวจิตใจที่ทําให้ร้องไห้จากการสูญเสียญาติเป็นต้นประการมาก็คืออุปายาศาสก็คือความคับแค้นใจความสิ้นหวังความเร่าร้อนทอดถอนใจในเมื่อความโศกความร่าไรลําพันธ์ทั้งหลายมันรุมร้ามันรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนึง่งขอความทุกข์ที่บีบคั้นจิตใจสัตว์อภิเยหิสัมปโยคะทุกก็คือประสบคนและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเช่นต้องพบต้องเกี่ยวข้อง กับคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ชังก็เป็นทุกข์ปีเ ย, ยหิวประโยชค่ะทุกก็คือภลาพลาคจากของรักที่เราประสบกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นโดยสรุปรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี้เป็นทุกข์กระแสของกายและใจเนี่ยรูปก่าน้ำเนี่ยเป็นความทุกข์วันนี้อาตมาก็ขอชี้แจงให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าตอนนี้เราถูกความทุกข์ย่างลงแล้วตอนนี้เรามีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้ว ทำเช่นไหนถึงจะทําที่สุดแห่งทุกได้อันนั้นเป็นคําถามที่หาคําตอบพวกเราจะต้องหาคําตอบด้วยการมาฟังทำคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราสามารถกาจัดกิเลสราคะโทสะโมห oh ะหมดสิ้นจากกระแสะของชีวิตได้เราก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตราบใดเรายังกอดพเนพนรราคะโทสะโมห oh ะอยู่เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปในสังสารวัฏต่อไปนั้นจุดหมายของคนเราพวกเราทั้งหลายคือพระนิพพานหนทางก็คืออริยมรรคที่เราจะต้องเดินให้ถึงนี้เป็นต้น วันนี้อาจมามาแสดงพระสัตธรรมมาเพื่อเตือนจิตของเราท่านทั้งหลายปารลบงานชนาวบรรณากรศพของคุณพ่อสมชายแอลินท่านอายุ83ปีถึงวรณกรรมคือตายในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ย75ปีเป็นอายุไขแปลว่าท่านก็ได้กำไรมาเยอะหลายปีพวกเราในยุคนี้เราจะถึงท่านไหมนั่นน่ า, นาคิดมากเพราะตอนเนี้ยโรคภัยใชบเจ็บมากเหลือเกินวันก่อนอามาคุยกับหมอ หมอก็บอกว่าโรคที่อยู่บนอากาศเชื้อโรคที่อยู่บนอากาศที่ทำให้มนุษย์ตายทันทีเนี่ยมีประมาณ 3.6,000 พชนิดนี่ขนาดนั้นนะฉะนั้นเราเจอภัยที่เราไม่เห็นตัวเต็มไปหมดเรามีโอกาสจะตายวันนี้ได้ตายขณะนี้ก็ได้เห็นไหมว่าวันนี้กับชาติหน้าพรุ่งนี้กับชาติหน้าถามว่าอะไรจะมาก่อน เราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ของเราอาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้จำไหมเรานั่นคือความจริงของชีวิตเรื่องเนี้ยเรามางานชาวปนกิจสอบเนี่ยเตือนจิตเราได้ดีที่สุดพระธเจ้าต้งบอกว่าตอนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันเทวปริญญาพานพระเจ้าบอกว่าไงหันทธานิภิกขเวามันตยามิโว ว, วยธรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเห็นไหม สังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เสื่อมไปอย่างนี้คลายไปแบบนี้ดับไปอย่างนี้สลายไปอย่างนี้ถูกความเกิดและความดับเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่หลักปฏิบัติ น, นี่พระพุทธเจ้าบอกหลักความจริงคําว่าอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเนี่ยอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับประชาะไม่ได้เนี่ยไม่ใช่บอกข้อปฏิบัติอันนี้บอกหลักความจริงหลักปฏิบัติมาอยู่ประโยคหลังอั ป, ปมาเทนทะสัมปาเทถะ ท่านทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอะไรคือประโยชน์ตนตนไม่มีศรัทธาก็ทําตนที่มีศรัทธาสิตนไม่มีความเพียรตนเกียจค้านก็ทําความเพียรให้เกิดขึ้นตนหลงลืมสติก็ฝึกสติให้เกิดขึ้นตนฟุ้งซ่านก็ฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นตนไม่มีปัญญาก็ฟังธรรมะฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกประโยชน์ตนทําประโยชน์ตนคือศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทำศีล ส, สมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเจริญภัยบุญยิ่งๆขึ้นไปจงยั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาตทนี่หลักปฏิบัติมาอยู่ประโยชน์ที่สองนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอาจะมาขอขอปิดเนี่ยอพุดทพปัจฉิมโอวาทคำว่าสัมมาสัมพุทเจ้ามาบอกเตือนเราท่านทั้งหลายปาราลบงานชาวบากิจศพคุณพสมชายแซลิมที่ท่านจากพวกเราไปแล้ขอพวกเราทั้งหลายจงตั้งกายานาจิตระลึกถึงบุญกุศที่ทำมา ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและกระทำในวันนี้แล้วก็จะทำต่อไปและจงน้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสมชายสายลิ้มท่านเกิดใจพบใดคติใดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์แ้าท่านมีความสุขให้สุขยิ่งๆขึ้นไปให้บอกว่าถ้าท่านไม่รู้เห็นการกระทํานี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกคุณพ่อให้รู้ด้วยว่าบัดนี้บุตรหลานญาติมิตร มีพระอธิการสุรศักดิ์สุรเทโชซึ่งเป็นลูกพระลูกชายเป็นเจ้าวาดวัดกระถอยเนี่ยตั้งใจอุทิศ ส, ส่วนกุศล น, นี้ให้กับคุณพ่อเต็มที่แล้วก็พวกเราด้วยน้อมจิตเหล่านี้ทําทุกอย่างให้ทานก็อุทิศให้นะรักษาศีลก็อุทิศให้ให้ทานให้เครื่องดุมให้อาหารจัดอาสนะถวายอุทิศให้พ่อตลอดนะอุทิศให้พ่อตลอดบอกว่าขอให้พ่ออนุโมทนาส่วนบุญทั้งนี้กับลูกๆ ก, ก, กับหลานๆนะเป็นต้น ขอให้ท่านมีความสุขที่ ย, ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าท่านได้คติพบอันทีด่ดีมีโอกาสฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ขอให้ไปฟังรธรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเทวดาเนี่ยเวลาไปเกิดในเทวดาเนี่ยสุขคติของเทวดาคือโลกมนุษย์เวลาเทวดาใกล้จะตายใช่ไหมเหงื่อจะออกจากรักแล้ผิวพรรณจะเศร้าหมองวิมานก็จะเศร้าหมองเสื้อผ้าก็จะเศร้าหมอง กลุ่มเทวดาทั้งหลายก็จะพากันมาล้อมเทวดาตนนั้นน่ะว่าโอ้ท่านจะเสียชีวิตแล้วท่านจงน้อมใจไปเกิดในโมนุษย์โลกนะท่านน้อมใจไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วขอให้ท่านได้มีโอกาสไปเกิดในพระรัตนในแวดวงของพระรัตนตรยัยขอให้ท่านได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกพุทธเจ้าให้ท่านฝึกฝนประพฤติปฏิบัติจนสามารถบรรลุมรรคผลเมื่อท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันสก่าธาเป็นต้น ขอให้ท่านกลับมาในโลกของเราแล้วมาสอนพวกเราด้วยเทวดาเขาจะบอกอย่างนี้นะเขาหวังอย่างนั้นนะเขาหวังอย่างนั้นนี่พวกเราทั้งหลายก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นอาละเท่าที่อาตมาภาพได้สแสดงพระสัท ธ, ธรรมเทศานามาก็สมควรเก่เวลาเนาะก็ขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะอนุภาพเป็นคุณของพระรัตนตรยัยตลอดถึงคุณความดีทั้งหลายที่พวกเราได้ทําจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุน อุทิศให้กับคุณพ่อสุนชายเสยลิมดังได้กล่าวและขอบุญกุศลอนั้นต์จงย้อนกลับมาทั้งเราให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายไฟเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายไฟสตรายาพิษโรคร้ายอย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ป่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยามีสุขติเป็นไปในพบหน้าปรารถนาซา ป, ปรารถนายศปรารถนาความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ เท่าที่ได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี